อนาปฏิวานพิสูุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ2 6ง2 1. อิกสุ่เป็นไข้ 2. ภิพิสูเป็นไข่ออกปากขอมาแล้วหายเป็นไข้จึงฉัน 3. ภิพิสูฉันโพชนะที่เหลือของพิกสูเป็นไข้ 4. ภิพิสูออกปากขอจากญาติ5้าพิสูออกปากขอจากคนะวรณา 6. ภพิสูออกปากขอเพื่อภิกสูอื่น 7. ภิกพิสูจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน8พิสวิกลจริต ๙ภิกษุต้นบัญญัติปณีตาโพชนะสิกขาบทที่9จบ